างโบเป็นไงโบภาวนาเป็นไงบ้าง <c oughs> แต่ว่าอะไรเรื่อยเรยขยันหรือไม่ขยันล่ะ <c oughs> ดีแล้วนะภาวนาช่วงนี้ภาวนาดีแล้ว <c oughs> คือการปฏิบัติถ้าอยากให้ง่ายก็อย่าอยากนะถ้าอยากเรายากว่าง่ายลูกทะเลเป็นยังไงบาง ว่ายน้ำเก่งไหมเขาเขินยังไม่คุ้นหลวงพ่อทักทีคือเวลาเราคิดถึงการปฏิบัตินะถ้าอยากจะให้ง่ายๆ ก, ก็อย่าอยากอย่าอยากได้ผลมันอย่าหวังผลปฏิบัติเนี่ยถ้าจะให้ง่ายให้มีฉันทาอย่ามีตันหาตันหาเนี่ยมันหวังผลทําแล้วก็ อยากได้อยากได้ดวงตาเห็นธรรมอยากรู้โน่นรู้นี่นะยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ส่วนมีฉันทาเนี่ยเราจะวางใจไม่ได้แกล้งทำเลยนะมันวางของมันเองมันรู้สึกว่ารูปนามกายใจเป็นของน่ารู้เราจะขยันรู้เพราะรู้สึกมันน่ารู้มันน่าเรียนนะอยากอยากแค่รู้ความจริงเท่านั้นนะ ไม่ต้องการอะไรมากกว่าขอรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามถ้าหวังแค่นี้นะจะง่ายแต่ถ้าหวังคาดหวังว่าจะต้องบรรลุโน่นนีนะ้ยากเพราะตัณหามันนาหน้าพออยากบรรลุเลยจะรีบร้อนยิ่งรีบทำยิ่งไปไกลใช่ไหมไหม <c oughs> ยิ่งรีบยิ่งไปไกลมไม่ต้องรีบนะตั้งใจไม่ต้องใจร้อน เรามีเวลาปฏิบัติเยอะนะยังไม่สิ้นกับระษีอาณนีิก็ยังอยู่ไม่ต้องรีบทำเล่นๆทำเรื่อยๆแต่ถ้าทำโดยหวังผลนะจะเอาให้ได้บางคนเคยมีมีพี่คนหนึ่งคุ้นเคยกันเขาได้ยินมาว่าบางคนภาวนาได้ผลเร็วบอกเจ็ดเดือนเขารู้ทำแล้ว พี่คนนี้เขาเอาบ้างเลยเขาเนี่ยจีเนี่ยเขาจะสามเดือนบรรลุธรรมให้ได้ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดปีแล้วยังไม่บรรลุเลยนะพอคิดว่าจะเอาให้ได้นะจะรีบร้อนนะทำไปด้วยความรีบร้อนจะหักหาเอาให้ได้เลยการบรรลุธรรมมันไม่ใช่เกิดจากอยากบรรลุแล้วก็รีบรี บ, รบทำทำออกนะมันไม่เหมือนเดินนะ เหมืนอนถนนที่เดินจ้ำจ้ำจ้ำแล้วถึงปลายทางเร็วงั้นอยากเร็วก็ต้องใหญ่ใจร้อนนะคุณหมอ <c oughs> ทั้งสองคุณหมอเลยยิ่งฉีดเส้นตัวเองไว้นะว่าต้องบรรลุวันนั้นวันนี้นะโอ้เครียดมากเลยพระนอนนท์ท่านก็ฉีดเส้นตัวเองต้องก่อนสังขยานาให้ได้เลยฉีดเส้นตัวเองแล้วรีบใหญ่ ท่านเดินทรงกลมทั้งคืนเลยภาวนายิ่งรีบยิ่งไม่ได้เนาะพอหมดกำลังใจแล้วหมดความอยากนั่นแหละได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเถอะอรู้สึกช่างมันเถอะเนี่ยโอ้ใจสบายรู้ระวังได้จิตระวังไม่ได้เพราะเราเพอเราอยากปฏิบัติมากนะั้นมันจะเกิดความดิ้นรนในใจ เกิดการจงใจดูห้อยดูออกไหมเกิดความจงใจที่จะไปหมายรู้จะไปหมายรู้อารมณ์เกิดความจงใจที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้แค่เกิดความจงใจจะดูจิตยังผิดเลยอย่าว่าแต่เกิดความจงใจจะบังคับตัวเองต่างๆนาน า, น า, นานว่าปัญหามันเกิดขึ้นมานะมันบรรลุมไม่ได้หรอกจิตขณะนั้น เนีสังเกตนะใช้ความสบายๆตั้งตั้งเป้าไว้แค่ว่าเราจะต้องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี้เท่านั้นนะส่วนเมื่อรู้ความจริงมันจะรู้เมื่อไหร่ก็ช่างมันรู้แล้วมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเอาแค่จะรู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงหัดรู้ไปเรื่อยๆทำใจสบายๆถ้าอยากรู้มากนะจิตใ จ, จยิ่งทำงานหนักกว่าเก่ายิ่งไม่รู้เลย จิบ ด, ดูออกไหมยิ่งยิ่งจะเร่งปฏิบัติอะนะคำว่าเร่งความเพียรอนะแปลอีกทีคือเร่งความเพียรไม่ต้องเร่งนะรู้กายรู้ใจรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆหัดสังเกตนะใช้แค่ความสังเกตนิดๆหน่อยๆอย่าไปนั่งจ้องเอาค่อยดูค่อยฟังไปเรื่อยๆนะหลักของการปฏิบัติมีแทคกติก เยอะแยะเลยนะมีวิธีจิตจะเป็นยังไงอะไรอารมณ์จะเป็นยังไงทํายังไงถูกทํายังไงผิดนะเรียนรุเดียวเราก็ฟังไม่ไหวนะค่อยๆฟังไปรู้ไอ้ที่ผิดไปมาละอย่างสองอย่างค่อยๆศึกษาไปเนี่ยมันถูกเองแหละเมื่อไหร่มันไม่ผิดมันก็ถูกนั่นแหละแต่ไม่ได้เอาถูกนะต้องการแค่ความจริงเท่านั้นสมัยหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลก่อนจะไปหาท่าน ตั้งแต่เจ็ดขวบยันยี่สิบเก้าขวบต้องใช้ขวบนะเพราะว่าอยางอินโนเซนต์เท่าเดิมเลยเท่าเจ็ดขวบปฏิบัติด้วยความอยากปฏิบัติมากเลยอยากกลางวันจนถึงโตลแล้วนะทางานแล้วกลางวันทานข้าวเสร็จแล้วมานั่งหายใจแล้วหายใจไปเรื่อยๆหายใจไม่รู้ทำไปทำอะไรแล้วหายใจเราก็กลัวเคลิมด้วยไม่ยอมให้เคลิมนะหายใจแรงๆเหนื่อย เหนื่อยมากเลยมีความทุกข์มากแต่พขาอดทนจะล่วงทุกข์ด้วยความเพียรนะหายใจทุกวันทุกวันหวังว่าวันหนึ่งจะบรรลนะุทําไมจะต้องบรรลุอย่างนึกไม่ออกเลยมันดียังไงยังไม่รู้เลยนะแต่อยากบรรลุไปเจอหลวงปู่ดูลไปบอกท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินึกว่าท่านจะสอนวิธีปฏิบัติไม่สอนอะไรเลย สอนมาสองสองคอนเซปต์สองาองาหนึ่งการปฏิบัติไม่ยากมันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเอ๊เราก็ปฏิบัติมาตลอดมันก็ยังยากใช่ไหม <c oughs> ท่านบอกมันยากกับผู้ไม่ปฏิบัติ <c oughs> ที่เราทําอยู่นี่ไม่ใช่ปฏิบัติล้วทำด้วยความอยากลูกเดียวเลย <c oughs> ท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่ไปนี้อ่านจิตตัวเอง เนี่ยสอนเท่านี้เองสอนให้อ่านจิตตัวเองนะพอได้ยินคำว่าอ่านจิตตัวเองนะรู้สึกแหมมันน่าสนใจจิตของเรามันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยน่าสนใจอย่างเลยนะศาสตร์ส า, าขาอื่นๆทางโลกเราก็เรียนมาเยอะลนะปรินยงปริญญาเ็าเรียนแต่ทำไมเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตตัวเองเลย รู้สึกน่าสนใจพอรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยนี่คือตัวฉันท้าน่าสนใจแล้วก็มัาคอยสังเกตมักคอยตามรู้ตามดูจิตใจตัวเองเรารู้สึกว่าน่าสนใจไม่ใช่เพราะอยากบรรลุแล้นะเปลี่ยนไปละแต่วเดิมอยากบรรลุพยายามบังคับตัวเองพยายามหาวิธีทําอย่างนี้น่าจะบรรลุทําอย่างนี้น่าจะบรรลุนะก็พลาดเหมือนที่เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านเคยพลาดแต่เราไม่พลาดมากขนาดท่าน แลท่านสลาดเยอะอดข้าวอดลาเราไม่อดเนี่ยแลท่านใจเด็ดกว่าใจเด็ดจะลองผิดลองถูกเยอะมาลองผิดลองถูกไปมากๆรู้ไว้ที่ลองนั้นผิดทั้งหมดเลยมาทําใจสบายๆนะหันมาสังเกตหันมาตามรู้อย่างพระเจ้าเจ้าท่านดูเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะท่านดูความทุกข์อยากค้นทุกข์ดูสิความทุกข์มันมาจากไหนค่อยๆสังเกตสภาวะไม่ใช่คิดเอา บางคนคิดว่าท่านนั่งคิดเอาทั้งคืนเลยแล้วบรรลุนะการเจริญสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าก็เจริญสติปัฏฐานท่านเจริญธรรมานุปัสสนาเมื่อก่อนหลวงพ่ออ่านพระพุทธประวัติยังเด็กๆอ่านคิดว่าท่านบรรลุเพราะอาณาปานาสติท่านหายใจแล้วก็เลยบรรลุพอศึกษาละเอียดเข้าไปอ๋อท่านไม่ได้บรรลุเพราะหายใจหรอก ท่านบนรรลุเขาใช้ทำมานุปัสสนาท่านมาเฝ้ารู้ลงไปดูจากสภาวะของจริงเลยความทุกข์มันมาได้ยังไงความทุกข์มันเกิดจากจิตใจเกิดการทำงานขึ้นมาเกิดจากพบทำไมจิตใจถึงทำงานขึ้นมาเพราะจิตใจมีความอยากแล้วดิ้นรนคนก้าด้วยความอยากทำไมมันอยากมันอยากได้ความสุขมันชอบในความสุขมันก็เลยอยาก ใส่เวทนาเ้าเลยเกิดอยากขึ้นมาหรือเวลาไปเจอทุกข์ก็อยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ก็เกิดดิ้นรนทางใจยิ่งดิ้นรนทางใจก็ยิ่งทุกข์หนักขึ้นไปอีกเท่านสังเกตจากของจริงๆนะเฝ้ารู้เฝ้าดูทวนเข้าไปหาต้นตอของมันในที่สุดก็รู้ความจริงแล้ว๋เพราะไม่รู้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทเขาไม่รู้อริยศาสตร์นี่เองไม่รู้ว่าทุกข์มันเกิดได้ยังไงก็เลยไปนั่งปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมา ท่านดูจากของจริงดูจากสภาวะมีสภาวะของจริงรองรับไม่ใช่คิดเอาส่งเด่ดนะคิดเอาเนี่เพเรโตโสเครติสอะไรมัคิดเก่งๆทั้งนั้นบรรลุไปหมดแล้วงั้นหน้าที่ของเราก็าอย่าไปอยากบรรลุให้บรรลุของจริงพระพุทธเจ้าวันนั้นไม่ได้อยากบรรลุแล้วก่อนหน้านั้นอยากบรรลุนะอุตสาหไปหัดเข้าฌานอุตสาหทรมานกายค้นหาวิธีด้วยตัวเองต่างๆนานานี่อยากบรรลุ อยากบรรลุไม่บรรลุเลยมานไม่ผจญด้วยมานยิ้มพอท่านเลิอกอยากบรรลุแล้วท่านมาค่อยจะรู้ของจริงน้ํามานต้องมาผจญเพาเดี๋ยวสายเกินไปเงั้นเวลาพวกเราหัดมารู้กายรู้ใจตัวเองจริงๆน้ำมานจะมานะอย่าตกใจกิเลสเอยอะกว่าเก่าแต่เดิมเคยปฏิบัติกันกิเลสไม่ค่อยโปลุเลยเพราะว่าเก็บกดตลอดแล้ข่มเอาไว้เรื่อยๆ กิเลสเกิดขึ้นมาขยับมือขยับเท้าขยับทซองจ้องลมบริกรรมข่มกิเลสไปเรื่อยๆนี่พอไม่เก็บกดไม่ขม่มกิเลสโปรเยอะไม่รู้สึกไหมตอนนี้กิเลสเยอะเนาะไม่น่าคบเลยเนาะ <c oughs> แต่เดิมนึกว่าตัวเองเป็นแม่พระนะพอมหาหัดเจริญสติเลยรู้ว่าเป็นแม่มดนะเป็นตัวร้ายบางคนก็นึกว่าเราเป็นพระเอก ทแท้ก็เป็นผู้ร้ายนั่นแหละงันไม่ต้องอยากปฏิบัติเอาแค่รู้ว่าจริงๆแล้วทุกมันมาได้ยังไงทุกมันอยู่ที่ไหนทุกมันอยู่ที่กายกับใจดูซิมันมาได้ยังไงคอยรู้คอยดูไปดูของจริงนะอย่าไปคิดเอาสังเกตไหมวันนี้จิตใจสบายๆรู้สึกไหมหลวงภาอพูดให้เครียดก็ได้นะ เสียงกระทบหูเราเครียดก็ได้เอาให้ขำก็ได้จิตของเราจะแกลงไปแกล้งมาตามการกระทบห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าไม่ไปเพ่งเอาไว้ถ้าเพ่งเอาไว้ก็ใครพูดอะไรก็ใจเฉยเฉยเฉยลูกเดียวนึกว่าดีจิบทำอะไรทำเฉยระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะหลวงปู่มั่นเขียนกลอนไว้ ระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยค่อยรู้ค่อยดูไปนะอย่าคิดเอาอย่าอยากปฏิบัติอย่าคาดหวังผลเอาแค่ว่าของจริงเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อไปเรียนเี่ยวัหลวงปู่ ด, ดูลท่านให้ดูจิตรู้สึกน่าสนใจอย่างเลยนะแต่ละวันนี้ช่างไม่เหมือนกันสักวันหนึ่งบางวันนี้เบาๆบางวันหนักๆบางวันเป็นก้อนเลยก้อนใหญ่บ้างก้อนเล็กบ้าง เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวมีราคะโทสะโมหะโอ้หมุนเวียนมาให้ดูนะเป็นละครที่มีตัวละครมากมายถ้าพูดอย่างอทีรร่ทำละครลงนี้มีตัวละครร้อยหกสิบตัวจะเป็นจิตซะเยอะแยะเลยนะเจตสิกห้าสิบสองตัวไม่สังเกตไหมใจเริ่มซึมละพอพูดถึงตัวเลขนะ เฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงไปนะเห็นไหมบังคับไม่ไดนะ้ดูให้เห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่ดูเพื่อจะบังคับให้สำเร็จนะคุณหมอรังสรรค์อย่าไปบังคับมันนะยิ่งอยากยิ่งช้านะดูออกไหมว่าทำอะไรอยู่ <c oughs> รู้สึกตัวไหมมันใจลอยไปมันก็ดูไม่ออกทำอะไรทราบไหม อคิดอยู่ถูกต้องหลงคิดอยู่สัง เ, เกตไม้มพอรู้ว่าเมื่อกี้หลงคิดตอนนี้ตื่นขึ้นมานะรู้ว่าเมื่อกี้หลงตอนนี้ก็รู้เลยถ้าพยายามจะไม่ให้หลงตอนนี้ก็หลงเลยงั้นความพยายามโยนทิ้งไปตอนนี้ทําอะไรทราบไหม <c oughs> นะ่ารู้ทันเรื่อยรู้ทันเรื่อย ก่ อ, อนน่ะทมาทถามทำอะไรคิดทำไรเผลอทำไรเพ่งทำไรบอกเป็นหมอฟันโอ้ไม่ได้ฟังเลยฟังมาร่วมชั่วโมงนะบอกเป็นหมอฟันโอ้ผมพ่อรู้สึกท้อแท้ใจ <c oughs> คุณหมอเข้าใจยังมออย่าไปนั่งจ้องไว้นะปล่อยมันปล่อยให้กระทบแล้วก็ตามรู้ไป อย่ารู้เพื่อหวังผลด้วยนะรู้เท่าที่รู้ได้พอเราไม่ได้หวังผลนะัเราก็จะรู้เท่าที่รู้ได้แ้วต่ถ้าหวังผลแล้วจะพยายามรู้ตลอดเวลาพยายามรู้ตลอดเวลาเลยหลงเลยนิ่มทำอะไรนิ่มทราบไห ม, ม เ, เอนอนะหลงชิดนะใส่หลงหน่อยคุณสว่างทำอะไร เออสงสัยสงสัยรู้ไหมน <c ười> ัดรู้ของเราเองนะเนี่ยมันสงสัยอยู่รู้หรือเปล่าสงสัยเราคิดใหญ่เลยนะง ง, นะงงอ่ะงงรู้จักงงไหมเออต้องใช้เปลี่ยนภาษาหน่อยนะเด็กสมัยใหม่ไม่รู้จักสงสัยลนะรู้สึกเป็นงงไ้ยเป็นงงอนะ่ะ เออเ อ, อ, อย่างงี้เริ่มรู้แล้วนะเป็นงงรู้ว่าเป็นงงนะสังเกตไหมใจเราไหลวัแบแวบวับแ๊บไปเรื่อยๆพอจะดูออกไหมเออนะเนี่ยมันไหล แ, แ, แ, แปล๊บแป๊บแป๊เร่อยนะคอยรู้เรื่อยๆรู้เล่นๆไม่ใช่รู้เพื่อไม่ให้ไหลด้วยนะมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นงั้นใครรู้ของจริงไปเรื่อยๆเนี่ยหนีไปคิดแวบนะ แก้วเป็นไงมั่งแก้วโยอะไโยทำอะไรบ้างโยไม่อบอกนะว่าธรรมะหากินมันก่อนหมอคงศักด์ห <c oughs> มอคงศักด์ที่อยู่อเมริกาเขาส่งซีดีมาให้แผ่นมาเปิดฝังนึกว่าธรรมะหมอคงศักด์ไปเป็นเพลงของโยแล้วมีภาพประกอบอโยเห็นยัง เดี๋ยวนี้มีมิวสิกวิดีโอโยมที่นั่งข้างหลังนะ่ะมาจากไหนหรือเคยมาไห ม, ไ ม, มออมาใกล้ๆเขาหลอกมาหรือเปล่าอ๋อดีๆนะต้องถามกับบางคนถูกหลอกมานะเขาหลอกบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเมืองกาลถามมาเข้าวัด นะมาแล้วเครียดเลยถุกหอกธรรมะเรียนอย่าให้เครียดนะธรรมะชีวิตเราก็เครียดเดียวอยู่แล้ววันวันหนึง่งอย่ามาเครียดเพราะปฏิบัติธรรมอีกธรรมะเป็นของเบิกบานนะของเบาๆของสบายๆเวลาใครเข้าไปในวัดที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่ชมเลย ภิกษุของพระองค์สงบสงเสงียมแต่ร่าเริงนะดูสดชื่นแจ่มใสไม่มีใครไปชมเลยภิกษุพระองค์เหมือนค่ายทหารเลยนะ <c oughs> เคร่งเครียดมีระเบียบวินัยแต่เคร่งเครียดยังไม่ใครไปชมนะวัดในทางพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลไม่มีใครชมแบบนั้นนะ <c oughs> เราคอยสังเกตใจไป จิตใจต้องมีความสุขจิตใจถึงจะสงบบางคนอยากให้มีความสงบไม่รู้ว่าความสงบหรือสมาธิเกิดจากอะไรเหตุใกล้ของสมาธินันคือความสุขนะเราก็ไปคิดว่าถ้าทำสมาธิได้แล้วจะมีความสุขเนี่ยจับกับหัวกับหางเรื่อยๆทุกอย่างเลยนะคิดเองเก่งรู้สึกไหมถ้าจิตใจเราเป็นสมาธิเราจะมีความสุข จริงเหตุใกล้ของสมาธินะคือความสุขเพรืะฉะนสมาธิจะเกิดขึ้นมาได้จิตใจต้องมีความสุขสมาธิคือใจตั้งมั่นนะอย่างบางคนชอบอ่านหนังสือสัง เ, เกตไหมเวลาอ่านหนังสือมีความสุขจะตั้งใจอ่านมากเลยมีสมาธิในการอ่านบางคนชอบเล่นสแตม็มได้ดูสแต็มแล้วมีความสุขดูทั้งวันทั้งคืนเลยนะข้าวปลาไม่กินก็มี สมัยก่อนธรรมาชอบอ่านกำลังภายในอ่านทั้งวันทั้งคืนอ่านได้นะอา่านหนังสือเรียนไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีความสุขงั้นจิตใจเราจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อะไรได้นานๆ น, น, นั้นต้องมีความสุขเวลาปฏิบัติเหมือนกันอยากรู้รูปรู้นามได้นานๆนั้นก็ต้องมีความสุขที่จะรู้ทำไมถึงสุขได้ต้องมีสติ สติเป็นความระลึกได้เมื่อระลึกได้เนี่ยจะสามารถผลของการมีสติเรียก อ, อารักขาอารักขะคือสามารถรักษาจิตไม่ให้ไหลไปสู่อารมณ์ที่ชั่วได้ทันทีที่มีสติเมื่อจิตไม่ไหลไปสู่อารมณ์ที่ชั่วจิตก็เป็นกุศลทันทีที่จิตเป็นกุศลเนี่ยจิตจะมีความสุขในฉับพลันเลย จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีโสมนัตเวทนาเบิกบานใจกับอุเบกขาอุเบกขาก็จัดว่าเป็นความสุขนะเพราะไม่สุขเสียดแทงไม่เล่าร้อนทันทีที่เรามีสติขึ้นมาเราก็มีความสุขทันทีที่มีความสุขจิตใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิก็เกิดเราก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุใกล้แต่และอย่างแต่และอย่างเราจะใช้สติสมาธิปัญญานะต้องมีสิ่งเหล่านี้ เหตุใกล้ให้เกิดสติเขาเรียกว่าทีละสัญญาการจำสภาวะธรรมได้จำได้รูปเป็นอย่างนี้นะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้ยังหัดที่นี่หลวงพ่อจะคอยสอนให้รู้จักสภาวะทีละอย่างทีละอย่างหลงแล้วนะเพ่งแล้วนะคิดไปแล้วนะเนี่หัดรู้ไปอย่างทีละอย่างพอรู้ไปรู้ไปสติมันจะเกิดเองไม่ต้องเจตนาเกิด นะทันทีที่สติเกิดจิตก็เป็นกุศลเพราะสติมีหน้าที่รักษาจิตเอาไว้ในอารมณ์ใส่กุศลเอจิตเป็นกุศลแล้วก็จิตก็มีความสุขพมือจิตมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมามีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเมืนะ่จิตใจตั้งมั่นเนี่ยสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะการจําสภาวะ ได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพอมีสติจิตก็เป็นกุศลพอจิตเป็นกุศลจิตมีความสุขะพอจิตมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นพรอจิตตั้งมั่นนะ้เนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาจะเห็นความจริงของกายของใจห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างเรารู้สึกตัวขึ้นมาคอยรู้สึกตัวไว้สภาวะอะไรแปลกปลอมเข้ามาในจิตใจเรารีบรู้ไวไว ทันทีที่รู้ทันสติก็เกิดจิตก็เกิดกุศลฉับพลันอกุศลดับไปเรียบร้อยเลยจิตนะใจมีความสุขจิตใจก็ไม่เผลอไม่หลงไม่ไหลการปฏิบัติจะปฏิบัติด้วยความสุขตลอดสายเลยนะฝึกแบบหลวงพ่อเรียกว่าสุขขาปฏิปทาะความสุขอย่างนี้ยากนะอืไม่ต้องทําแบบทุกข์ขาปฏิปทาใครชอบทุกข์ ก, ก็ไปหาที่เรียนใหม่สนะอนไม่เป็น หลวงพ่อปฏิบัติมันสบายทันทีที่มีสติก็มีความสุขอยากมีสติเกิดบ่อยๆหัดรู้ไปจิตใจของเรามันเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆคอยรู้มันไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะเดี๋ยวก็เกิดสติเองโดยไม่ต้องเจตนาส่วนมากจะมีเจตนาให้เกิดสตินะชอบไปนั่งเพ่งนั่งจ้องกลัวจะเผลอแล้วก็จ้องไว้บังคับไว้ ตรึงความรู้สึกเอาไว้ที่กายบ้างตรึงไว้ที่ลมหายใจบ้างตรึงไว้กัคบคําบริกรรมบ้างนะตรึงไว้กับมือกับเท้ากับท้องมีแต่เรื่องบังคับหวังว่าจะเกิดสติสติไม่ได้เกิดด้วยการบังคับ Sna. เหตุใกล้ของสติคือการจําสภาวะได้ฉะั้นหัดรู้จักสภาวะไปเดี๋ยวมันก็จําได้เองหนีไปคิดอะไรกรู้ไหมเออเนี่ยหัดรู้จักไปไม่ต้องฝึอกอะไรเยอะหรอกหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆ เนี่ยทําอะไรทราบไหมอ้าวหลงจิตถูกเติมหลงให้คำหนึ่งนะสังเกตไหมทําไมหลวงพ่อพูดว่าหลงเพราเราลืมตัวเองขณะคิดเรารู้เรื่องที่คิดหมดเลยแต่เราลืมกายลืมใจเติมหลงไว้หน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าไม่หลงคิดจะคิดได้ไหมจะคิดไม่ได้เมื่อวานหรือ เ, เมื่อวานซืนมีคุณหญิงคนหนึ่งเป็นนักนักประพันธ์ มาเรียนแล้วก็มาถามนะบอกว่าดิฉันเป็นนักประพันธ์นะถ้าไม่อินเนี่ยนะมันประพันธ์ไม่ได้เราจะเจริญสติยังไงบอกเจริญไม่ได้หรอกนะขนาดที่อินไปเพื่อจะหาอะไรมาเขียนเนี่ยนะมันเจริญสติไม่ได้เพราะฉะนั้นะขนาดที่หลงคิดหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเจริญสติไม่ได้ก็เลือกเอานะต้องการเจริญสติหรือต้องการคิด จำเป็นต้องคิดก็ต้องคิดนะเอย่าสมมติว่าคุณอ้อยอ น, นี่มีลูกลูกเกิดไม่ไม่ยอมไปโรงเรียนเ่ยต้องคิดนะไม่ใช่สักแต่รู้เนี่ยผิดหน้าที่เนี่ยคุณไกลทาซอฟแวร์ทำอะไรหรือเปล่านะไม่ใช่รู้นะมือสัมผัสคีย์บอร์ดสักว่ารู้ตายเลยเขาเลิกจ้างเป็นหมอจะผ่าตัดคนไข้ ตักว่ารู้มือเคลื่อนไหวตายเลยคนไข้ายยาตายเนะฉือนอะไรเข้าไปยังไม่รู้เลยเะฉั้นะไม่ใช่เวลาเจริญสติมันเป็นเวลารู้รู้สึกตัวแล้วก็ตั้งใจทํางานนะจดจ่อมีสมาธิในการทํางานเวลาลูกทะเลจะอ่านหนังสือเรียนนะอย่ามาเจริญสติมันะเป็นเวลาจดจ่อการอ่านอ่านให้รู้เรื่องนะแยกกัน แต่ถ้าทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดน ะ, จะเจริญสติได้มรติดีขึ้นเนี่ยไม่ทำอะไรม า, ามนะไม่ทำอะไรมาถึงดีขึ้นเพราะ <c oughs> ไม่ค่อยทำเออน ะ, นะทำไปเรื่อยๆมาเรียงเรยงหลวงพ่อก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ตื่นตั้งแต่เป็นคารวาสนะอ่ะตื่นปุ๊บเริ่มปฏิบัติเลย ตื่นปุ๊บนึกได้แล้ววันจันเซงหน้าดูเลยรู้ว่าเซ็งเนี่ยรู้จักสภาวะหนึ่งตัวล้วไปทานข้าวเห็นของอร่อยอู้ดีใจเนี่ยรู้ว่าชอบแล้วดีใจนได้อีกสภาวะหนึ่งนะจะไปทํางานเห็นรถติดแล้วหงุดหงิดนะได้หงุดหงิดอีกตัวละหัดรู้จักไปเรื่อยๆไม่ต้องคาดหวังนะเพราะว่าการ จเจริญสติปัฏฐานหรือการตามรู้กายตามรู้ใจเราทำเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาเท่านั้นแะให้รู้ความจริงไม่ต้องการเพื่อบรรลุอะไรทั้งสิ้นอยากบรรู้ไม่บรรลุนะโยทำอะไรโยรู้ไหมอือ <c oughs> เออนะเธ อ, อไปนะนั่นน่ะทำอะไร <c oughs> พอสังเกตออกไหมเนะนี่ยหัดรู้สภาวะไปด้วยนะลืมเรื่องปฏิบัติไปเลยนะหัดรู้จักสภาวะไปพอเรารู้จักสภาวะจนมันรู้สึกตัวเป็นแล้วสติเกิดขึ้นมาเป็นคลาวลสติไม่ต่อเนื่องนะเกิดได้ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็ ด, ดับไปเดี๋ยวก็หลงใหม่หลงใหม่รู้อีกก็เกิดสติขึ้นมาอีกนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหัดทําตามรูปแบบได้แล้ะอยากใช้รูปแบบอะไรก็ได้ บางครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกให้เดินจงกรมท่านชอบให้เดินเดินทั้งวันทั้งคืนนะก็ก็เดินเพื่อจะรู้สึกตัวเีพราะเรารู้จักรู้สึกตัวแล้วรู้จักมีสติแล้วเราก็ไปเดินรู้สึกตัวถ้าเรายังมีสติไม่เป็นเราไปเดินก็ไปเดินเพ่งนะหรือเรานั่งนั่งขยับมือขยับด้วยความรู้สึกตัวอย่างนี้ใช้ได้ถ้ายังรู้สึกตัวไม่เป็นขยั บ, ยบก็จะไปเพ่งมือนะ เราต้องรู้สึกตัวต้องให้สติมันเกิดสติมันเกิดได้เพราะว่ารู้รูปรู้นามตามรู้สภาวะไปเรื่อยๆเนี่ยมันรู้เองแหละ